ประกอบด้วยดูด้เห็นจิงที่เป็นปัญหาก็หมดปัญหาไปเป็นปัญญาไปจิงที่เป็นทุกข์เป็นโทษลูกแช้งก็เกิดประโยชน์ปลอดภัยจากการชีวิตของเราไปได้มีสิ่งที่ผิดที่ถูกสิ่งที่สุขที่ทุกข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 เราไม่ได้เข้าป่าก็าไม่ถูกเสือเกิดอารมณ์ของเราเนี่มันไม่ได้อยู่ที่ไนที่ป่ามันอยู่ที่เราอยู่ที่ใจเร า, าค่มไร้ค่อมดีผู้ผู้แพร่แพรบางทีก็หลบไม่เป็นหลีกไม่เป็นยอมรับเป็นทาตของความหลงความโกรธความทุกข์ป่วยเพียงแต่ความคิดก็ทุกข์แล้วนอนไม่หลับแล้วกินไม่ได้แล้ว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 แต่น้ำไหลเขี้ยวเราทำาะไ้มันก็ดูแล้วมันมองทางลงไม่ปลอดภยัยตัวมันจะลงได้แต่ลูกน้อยหลานเล็กมันก็มีมันก็มองถึงหนฝุ่ของมันมันไม่ยอมลงแต่ไล่อย่างไรก็ไม่ลงวันปิ้งผ่านมาถึงค่อนเึอไม่เดียวเราตีมันก็ยังหนีไปเราไปลูกมันแต่มันรู้ ก็มันก็จะลงได้มันพอจะขึ้นได้ลูกน้อยของมันมันก็ข้ามไปได้บางทีจะไปออกจากคอกถ้าหัวหน้าไม่ออกจากผงไม่พาออกลูกน้อยมันก็ไม่ออกถ้าจะเข้าคอกถ้าจ่าผงไม่เดินหน้ามันก็ไม่เข้ามันเป็นหัวหน้าเหมือนกันเวลาไปเล่เําเฉดคนเด่นจ่าผงอีกตัวหนึ่งคือห่วยถึก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 แต่ทาไมมันเกิได้กินด้วยกันอยาให้มันสมานสมาชิกันฮะถาหวานไปทางด้านที่ต่ามดออกพอหวานไปด้านที่ตํามดออกมันก็รู้นะก็ไปกินกินด้วยกันอนี่บางทีคํามีระเบียบไก่ป่าให้ขันได้ตัวเดียวในป่าแต่และจ่าขันได้ตัวเดียว ถ้าตัวไหนขันขึ้นมาถ้าตัวจ่าผงก็จะต้องวิ่งตามเสียงไปมันใครมาดังอยู่นี่พอเห็นแล้วก็ไล่ตีกันเลยไล่ตีกันเลยบางทีฆ่ากันตายนะไก่นะ่ะไก่ปลาเนะี่ฆ่ากันตายเลยไล่กันทั้งวันนะ่ะแต่ถ้ามีระเบียบขันได้ตัวเดียวที่เป็นจ่าผงตัวอื่นห้ามขันจึงมีผานป่า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 ที่เป็นพระราช า, าน่าจะาไปฝากพระราชาว้างมันสนุกสนานไปแ น, น่ไอพ้พานจระก็ตากาไปใส่กระบอกแต่ไปถวายพระเจ้าสมมิตรให้ดื่นน้าด้วยกันพนระเจ้าสมมิตรก็พรานจระก็ประกาศน้ำอย่างนั้นนี้พระเจ้าสมมิตธก็เลยคิดอยากลองดูพานจระกาวถึิงสรปรคุคน์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้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 ลกเคยกับแม่ยายถ้าเดือดรงไปสามงานสมสู่กอดเขี่ยวราศีกันเลยไม่รู้จักอ้ายน้ำนี่พิเศษจังเอ้ยถ้าเดืได้เมาลงไปแล้วไปบ้านก็ไม่รู้จักรักษา น, างงาน่งอ่อนโยนโง่สนอนน้ำนี่พิเศษจังเอ้ยเห็นกันฆ่ากันตีกันเราเข้าฆ่าเข้าตีกันไม่รู้จักอ้าย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 ศาสนาเราสอนให้คนฉินเล่ามีศินสมาธิปัญญาแล้วก็ยังจินกันอยู่ตอนนี้ก็ยังเอามาอยู่เพราะเราจึงมีแบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องมารับผิดชอบตัวเองปฏิบัติธรรมแน่วัาจะลื้อความชั่วออกให้บันมีนินทาไม่ต้องกลัวให้สินเริญไม่ต้องกลัวสุกทุกมนต้องกลัวลุยมันเลย เข้มแข็งม่กวามอ่อนเรงอย่ายอมแพ้จะให้อารมณ์ผ่อพผิวปลยปฏิบัติทําต้องผ่านจริงเหล่านี้มันโกรธผ่านความโกรธได้ทุกครั้งมันทุกผ่านความทุกได้ทุกครั้งมัน้ลงผ่านความหลงได้ทุกครั้งมันจะแจกกล้าขึ้นมาง่ายๆ ย, ยิ้มๆถ้าเราไม่ผ่านตรงนี้ไปไม่รอด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 เฉ็นแล้วก็แย่เปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผีเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็ น, ป น, ป น, นไม่ทุกข์อย่างนี้เอาน่าสนุกนะเรื่องนี้นะไม่ใช่เบื่อหน่ายนะฉันท่าอใจปาราลบความเพียรเล้นเจนอนมากนะักฉันท่าไปไปทีวิยาลาปฏิจิตังประการนาติประกันานาติีฉันทาริยะจิตะวิมังสาทําให้สําเร็จ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 เสงกองจะรองว่ายะถาปัจยยปจยังยะถาปัจจยังเพราะมันเป็นค่อยตู้มันเป็นเนนมันไม่ท่องไม่ท่องยะถาปัจจยังเวลายไปบิณฑบาตต้องว่ายะถาปัจจยังใหม่ๆยะปัจจะยังวัตถมางธาตมัตต์ไมเวตังกทังปะตะปะตะปะตระจตุโพโตโชโครติโตโยโยโโโต Durham ไม่ใช่ปมองดูคน ใ, นใส่บาตรนะ